บทสวดมนต์ที่เราสวดสรรเสริญเมื่อสักครู่นี่นะเป็นคําที่กล่าวถึงลักษณะของผู้มีศรัทธา น, นนะลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นโดยเฉพาะทั่วไปท่านอธิบายศรัทธาเป็นสองอย่างศรัทธาสองอย่างมีอะไรบ้างข้อแรกตถาคตโพธิศรัทธาข้อที่สองกรรมมัสกตาศรัทธา สทาคตโพธิสัตธานั้นก็คือศรัทธาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าตัวนีกครั้งหนึ่งศรัทธานี้แปละว่าเชื่อใช่ไหมศรัทธาทั่วไปถ้าภาษาไทยเนี่ยท่านแปลดีว่าความเลื่อมใสหมายคือว่าพอได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าก็ใจก็ยังใจให้เลื่อมใสเลยของมา ย, ยังประทับใจคนไทยรุ่นเก่าก่อนพอพูดถึงคําว่าพระัตนะตรยัยพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าท่านยกมือขึ้นไหว้ ท, ท่านเคารพมากท่านเลื่อมใสมากลักษณะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาคือมีตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าว่าการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการตรัสรู้ที่นําสัตว์ให้ออกจากกองทุกข์จานะครับขออนุญาต ทีนี้ในตถาคตโพธิสัตธาเหล่านั้นเนี่ยนะเราก็มาไล่ดูกันนะคงทบทวนกันได้นะว่าอารหังเราเลื่อมใสแค่ไห น, นนะสัมมาสามัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารทิศก็คือบทสวดมนต์ที่เราสวดไปข็มาชอบดูคนสวดมนต์ทำไมรู้ไหมมันประกาศถึงว่าเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขนาดไห น, น ว่าเขาเขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจหรือไม่เพราะเพราะนั่นคือสารณะของเขาถ้าหากว่าเขาเวลาเขาสาธยายหรือสวดสันเสริญพระพุทธคุณด้วยความไม่ตั้งใจก็เหมือนว่าเข้าเฝ้าพระราชาแบบแบบไม่ตั้งใจเหมือนกันประกาศถึงว่าเขามีศรัทธาในพระศาสนาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเขาไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยอย่าหวังว่าเขาจะเลื่อมใสในอย่างอื่นมากอย่าไปเชื่ออะไรให้มากนัก เพราะว่าบุคคลที่เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์คือพระพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าเขาเปล่อยจิตให้เป็นไปกับพระพุทธคุณได้น้อยหรือจิตไม่เป็นไปไม่เลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาเขาอ่อนเกินถ้าสัพทินซีอ่อนเนี่ยนะปัญญีย์เรียนได้ไหมไม่ได้อินทรีย์ในาศาสนานี้มีห้าประการหนึ่ง สัตินรี่สองวิรยินรี่สามสตินรี่สี่สมาธินสี่ห้าปัญญินรี่ถ้าสตินรี่เขาอ่อนพูดอริยสัจก็ไม่เกิดประโยชน์สัจเท่าไหร่เนี่ยนะบอกอันนี้บอกตรงๆที่แจงว่าถ้าหากว่าสัตินรียในพระพุทธเจ้าอ่อนก็อย่างที่ว่าบุคคลใดไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะที่เขาจะเคารพในพระธรรมผู้ที่ไม่เคารพในพระธรรมไม่ใช่ฐานะที่จะเคารพในพระสงฆ์ พันถ้าสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วเขาจิตไม่ผ่องใสใจไม่เลื่อมใสเขาไม่ได้เลื่อมใสในพระธรรมสักเท่าไหรเนี่ยนะเพราะพระธรรมเนี่ยรมของใครก็ทำของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้าหากว่าความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าน้อยลงเชื่อได้เลยว่าเขาเลื่อมใสในพระธรรมเนี่ยน้อยไปกว่านั้นอีกขนาดพระพุทธเจ้าเป็นปุคลาที่ฐานน่าจะเรียนได้ง่ายที่สุดยังยังใจใจยังไม่เลื่อมใสจะกล่าวไปยายถึง ทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมแล้วเขาจะรู้จักข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ได้ยังไงเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ที่ไหนปฏิปันโนอยู่ที่การปฏิบัติทีนี้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระสงฆ์นั้นคืออะไรก็คือไตรสิกขาอย่างวันนี้หรือเทศกาลปีใหม่ปีนี้เน้นพิเศษคืออธิปัญญาสิกขา สิกขาสามในบรรดาสิกขาสามคืออธิปัญญาสิกขาถือว่าเป็นเกือบจะ ย, ยอดของพระพุทธศาสนาถ้ามองการก่อสร้างเนี่ยนะมองสิกขาสามเหมือนการก่อสร้างต้องมองว่าสี่และสิกขาเหมือนกับการวางพื้นดินทำฐานเป็นอย่างดีลงเข็มแผ่นดินตั ว, ต, วตัวฐานที่จะสร้างเจดีสมมติถ้าเราจะสร้างเจดีเนี่ยกี่ชั้นดีเจ็ดชั้น หรือสร้าง J จดีเอา JD7 โยดอดีกว่า J จดี JD สูง7โยอดก็สูงเป็นเกือบร้อยกิโมตรประมาณนั้นร้อยกว่ากิโเมตรเนี่ยนะสมมติถ้าสร้าง J จดีสูงสักร้อกิโเมตรหรือหรือขนาดนั้นถามว่าพื้นดินที่จะสร้าง J จดีแบบนั้นเนี่ยควรจะแกร่งขนาดไหนเราตั้งคําถามว่าควรจะแกร่งขนาดไหนแกร่งมากแล้วต้องเทฐานแค่ไหนลงคานแค่ไหนจึงจะสร้างองค์ J จดี พรสิ่งที่เราต้องการให้เสร็จคือที่ยอดของพระเจดีย์ตอนนี้การเรียนปัญญาศิกขาก็เหมือนขึ้นเริ่มก่อสร้างแล้วนะไม่ใช่ลงฐานถือว่าฐานเบิดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์หมดเป็นการสร้างองค์พระเจดีย์ที่เน้นไปที่ยอดเนี่ยนะก็สร้างไปที่ยอดเพราะฉะนั้นพื้นฐานของผู้ที่มีศิกขาเบื้องต้นอ่อนความเข้าใจในศิกขาเบื้องต้นอ่อน ยากนักที่เขาจะศึกษาได้อันนี้บอกตรงๆเลยว่ายากนักถามว่าทำไมจึงยากเพราะว่าข้างล่างของเขามันเป็นโคล น, เ ป, นเป็นเลนเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงสงได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวในคุณธรรมโดยเฉพา ะ, ะวิสุธทธิทั้งหลายก็อยากจะขอเริ่มต้ น, นนะทบทวนวิสุธทธิมรรคในรายละเอียดเพราะว่าของเรานี่เป็นกลุ่มผู้มีปัญญามากเพราะฉะนั้นเราเลือกเล่มเรียนที่เล่มที่เท6เลย ทั้งหมดมีหกเล่มใช่ไหมเราเอาเล่มสุดท้ายมาเรียนเลยเก <c oughs> ่งมากถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษก็แล้วกันทีนี้ทวนมาอีกครั้งหนึ่ง ว, ว่าศรัทธาในการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีสองอย่างนะหนึ่งตถาคตโพธิศรัทธาแม่นแม่นหน่อยอย่างที่สองคือกรรมมัสกตาศรัทธาเราทั้งหลายเราเชื่อไหมว่าเราทั้งหลายมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วนะ มีทุกอย่างลงแล้วทำชะไหนการทาที่สุดแห่งกองทุกจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ทุกที่เราทั้งหลายมีอยู่เรามีทุกไหนกันบ้างทวนะวนะสวดเมื่อกี้ชาติยาโดยความเกิดในชัดเลยนะชรามรเนนะโดยความแก่และความตายโซโเกโสกะปริเทวะทุกโทมนัทและอุปายาตโดยความขับแค้นโดยความไม่สบายกายความไม่สบายใจกันนะ ความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังเป็นต้นนั่นแหละคือตัวตัวทุกขสรุปว่าทุกคนเนี่ยมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกขอย่างลงแล้วทำชะนะคานทำ ท, ที่สุดแห่งกองทุกจะเพิ่งปรากฏชัดแก่เราได้ก็ช่วงเมื่อวานก็ไปให้อาหารปลาแปดกระสอบปลาสวายแปดกระสอบนี่มันไม่พอกินเลยนะ ก็ต้องคูณสองคูณสามันน่าจะพออิ่มได้บ้างนนมันเล่นสูบเอาเลยแต่ละตัวเนี้ยอาหารที่เทลงไปนี่มันสูบเอาไปเลยพูดตรงๆว่าทำยังไงพอเราจึงจะพ้นจากการเกิดเป็นปลาเราพ้น อ, อย่างที่จะเกิดเป็นปลาแล้วปลาสวายเนี้ยไข่เนี้ยนะแต่ละฟองเนี้ยถ้ามาไข่ฟองรวมกันเนี้ยเท่าแก้วน้ำเท่าเท่าแก้วน้ําแล้วไม่ใช่ฟองเดียวด้วยไม่ใช่ลักษณะนี้อย่างเดียวเยอะมากทายังไงเราจะพ้นจากการเกิดเป็นปลา ไปที่พุทธมนตรก็ไปไหว้พระเคี้ยวแก้วขนอาหารอีกไปก้าวกระสอบไปเลี้ยงพวกปลาดุกไม่พอกินอีกต้องขนไปเป็นสิบล้อหนึ่งจึงจะพอดีจึงจะอิ่มทั่วหน้ากันมันมากขนาดนั้นนะถามว่าทํำยังไงเราจะพ้นจากการเกิดเป็นปลาเราเห็นปลาปั๊บเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าฉันพ้นจากกําเนิดของการเป็นปลาแล้วนะนี่อยากจะบอกว่าเราทั้งหลายมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเราเห็นอะไรพอที่จะข้ามมองว่า ฉันนี่พ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองเนอาอะไรเป็นเครื่องวัดเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งถ้าใครบางคนอาจจะเห็นเปรตเห็นอสุรกายบางพวกก็เห็นสัตว์ในนรกเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าฉันเนี่ยพ้นแล้วนะพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตและนรกันตรงนี้เนี่ยสามัญยสํานึกตัวนี้ต้องแม่นเยี่ยมมากทีนี้ถ้าหากว่า วันก่อนนั่งรถไปก็เห็นเด็กขอทานมือก็พิการในทางมาเที่ยวขอทานเนี่ยนะเป็นเด็กชาวต่างประเทศสัส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าเราพ้นจากการเป็นแบบนั้นหรื อ, อยังเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราพ้นจากการเป็นเด็กขอทานเป็นต้นไปแล้วพ้นแล้วจากการเกิดมาพิการพิการทางร่างกายเนี่ยนะอย่างบางคนที่ที่เขามีในร่างกายเช่นมีนิ้ว สิบ็ดนิ้วหรือสิบนิ้วเนี่ยนะหรือมีร่างกายมีแขนเพิ่มมาอีกหนึ่งแขนขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าทางแพทย์บางท่านเขาที่บายว่าเด็กคนนั้นเกิดมาแฝดอีกคนหนึ่งตายไปและไอ้แขนที่เหลือมันมาต่อกันเข้ามันก็เลยแปะทําให้เติบโตขึ้นมันไม่ใช่ว่ามันขึ้นมาที่เดียวอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันเกิดจากเด็กอีกคนหนึ่ง น, นะคือเด็กแฝดใช่ไหมอีกคนหนึ่งตายอะไรของอีกคนหนึ่งก็มาติดอีกคนหนึ่งก็เลยเจริญงอกเลยคุณให้ว่าที่หมอประหลังเล่าให้ฟังบ้างเป็นยังไง ก็พ้นถามว่าเราพ้นจากความพิการหรือยังในร่างกายทั้งหลายเนี่นะเราพ้นจากกองทุกข์หรือยังโดยสรุปนะใครที่มีกรรมมศกตาศรัทธามีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาป เราคือผู้รับมรดกรับมรดกแปลเป็นบาลไทยว่ามรดกบาลีเรียกว่าทายาททายาทคือรับมรดกนั่นเองรับมรดกรับมรดกในสิ่งที่เราทำไปเมื่อเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมที่เราทำเนี่ยนะโดยเจตนาที่ทำเนี่ยเป็นกรรมที่เป็นไปในวัตะทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมโดยม่อเป็นกรรมที่เป็นไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในอบาย ก็อย่างที่ถามว่าเรามีปากเนี่ยนะเราพูดด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออ ก, กุศลมากกว่ากันก็มาไล่ดูแล้วผลเนี่ยควรจะเกิดที่ไหนพฤติกรรมเดินทุกครั้งที่ลุกเดินเหินยกม้ยกมือเป็นต้นด้วยจิตชนิดไหนเป็นสมุทฐานอันนั้นกายกรรมมันประกาศทังว่าพบใหม่ต่อไปควรจะเป็นอย่างไรแล้วมนโนกรรมในโลกของความคิดทัานการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็คือการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจาก ชาติชารามรณะโสกกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตเบื้องต้นเลยที่เราจะดับชาติชารามรณะเนี่ยเราจะดับชาติไหนก่อนดับชาติที่จะต้องเกิดในอาบายนะต้องการจะดับชาติที่จะเกิดในนรกต้องการดับชาติที่จะเกิดในเปรตในอสุรกายและหมู่เดรชานทั้งหลายคุณธรรมที่เราจะทำให้เราดับชาติที่จะเกิดในอบายคุณธรรมอันนั้นคืออะไร ศีลและสิกขาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเป็นเครื่องยั้งจิตหรือเครื่องยั้งยังบุคคลนั้นให้พ้นจากอบายเพราะผู้ที่มีผู้ที่มีศีลรักษาศีลก็ข้ามจากอบายทีนี้ตั้งคาถามว่าศีลที่เป็นบาตรของการออกจากวัตะศีลอันนั้นเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลที่เป็นบาตรของวิวัตะหมายถึงว่าศีลที่เป็นบาตรแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานคือศีลวิสุทธิ สีลวิสุทธิ์ที่ก็คืออะไรคือจตุ ป, ปาริสุทธิสินเดี่ยนะจตุปาริสุทธิสินซึ่งถ้าใครเปิดในเอกสารวิสุทธิมักเนี่ยนะช่วงหน้าแรกเลยหน้าแรกกลางๆหน้าว่าที่ชื่อว่าสีลวิสุทธิได้แก่สีลบริสุทธ์ดีสี่อย่างมีปาติโมขสังบอนสีนเป็นต้นเียนะอันนี้คือ สีลวิสุธิคือวิสุสธทธิเบื้องแรกข้อปฏิบัติที่จะทำให้ตรงๆ ต, ต, ตามสภาวะผู้มีศีลก็ยังจิตของตนให้พ้นจากอาบายศีลมีสีประการนะความบริสุทธิ์ของศีลสีประการหนึ่งปาติโมคสังวร 2. อินทรีสังวร 3. ปัจยะสันนิสิตศีลส 4. อาชีวปาริสุทธิศีลเนี่ยไง ก็นี่เรียกว่าจตุปริสุทธิ์ที่ศีลสีความบริสุทธิ์แห่งศีลสีประการทีนี้ปาติโมกขสังวรปารติโมกเนี่ยความหมายแปลว่าทำยังบุคคลผู้รักษาไม่ให้ตกลงไปสู่อาบายของของเราทั้งหลายเราก็มาไล่ดูว่าประตูของอาบายนี่มีอยู่กี่ช่องเรารู้ไหมว่าประตูที่จะให้ไปอาบายมีกี่ช่องอนะช่องทางกายทางวาจาและทางใจ ช่องที่จะทำให้ไปสู่อาบายหนึ่งก็คือปาณาติบาตช่องที่จะทำไปสู่อาบายก็คืออธินาทานช่องประตูที่จะไปสู่อาบายคือกาเมสุมิชฌาจารย์ช่องอันนี้นี่ช่องทางกายช่องทางวาจาอันนี้นะีมุสาวาตเทศสองอนะันนส่อเสียดส่อเสียดทำให้เขาแตกแยกกันสามพูดคำหยาบสี่พูดเพ้อเจอ้อ อันนี้นี่เป็นลักษณะหยับหยาบก่อนนะเรียกว่ากายกรรมกับวจีกรรมกายทุจริตกับวจีทุจริตตัวทุจริตตัวนี้เป็นสะพานใหญ่ที่จะทำให้ไปสู่อาบายหรือไม่เนี่ยนะสู่อาบายหรือไม่เช่นว่าทางกายของเราเนี่ยนะปานาติบาตเราก็ลองมาไล่นึกๆดูนะมีศักด์ที่ไหนบ้างที่ยังจิตให้เราคิดจะฆ่ามีไหมเนี่ยนะ ลาโเราเร า, เราลองมาลองศึกษาดูนะมาตรวจเช็คตัวเองดูว่าอารมณ์ทั้งหลายในโลกเนี่ยที่เราเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมีอารมณ์ใดที่จะยังจิตให้เราล่วงกรรมบดไหมแล้วเรารักษากุศลกรรมบดเหล่านี้นึกแล้วก็ยินมแย้มแจ่มใสปีติและโสมนัสเกิดขึ้นเลยไหมอันนี้เรียกว่ามีทรัพย์คือศีลศีลคือ ปาติโมขสังวรคนมีศีลเนี่ยนะเป็นคนที่ตรวจตรงไหนแล้วอะ่ะไม่รู้สึกว่าต้องกินแหนงแคลนใจตัวเองเลยนั่นเป็นลักษณะของผู้มีศีลและลึกถึงเรื่องอะไรก็ตามจะไม่รู้สึกคำว่าเศร้าใจเนี่ยนะทบทวนเรื่องอะไรก็ตามในสิ่งที่ตัวเองเคยทำคำที่ตัวเองเคยพูดและลึกแล้วไม่เศร้ามองเลย คล้ายๆกับพระเถระรูปหนึ่งท่าน ย, ยืนดูพระจันทร์ในวันเพ็ญเนี่ยนะคือวันนั้นเป็นวันเพ็ญวันอุโบสถใช่ไหมท่านก็เหลียวดูพระจันทร์ว่าโอ้พระจันทร์เนี่ยปราศจากเมฆหมอกไร้มนทินส่องสว่างสวัยนั่นก็โอ้พระจันทร์วันนี้ช่างบริสุทธิ์จริงหนอท่านก็มาคิดต่อไปว่าระหว่างพระจันทร์กับท่านเนี่ยนะกับตัวท่านเนี่ยใครจะบริสุทธิ์กว่ากันคือตัวท่านหมายถึงศีลของท่านนะนะ ท่านก็สำรวจดูแลบอกว่าพระจันทร์ยังมีรูปกระต่ายเดี๋ยวนะพระจันทร์นี้ยังมีรูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์แต่ศีลของเราเนี่ยกายวาจาใจของเราระลึกไม่ได้เลยที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่มันมีโทษที่จะตําหนิตัวเองได้ที่จะให้ผู้อื่นมาตําหนิตัวเองได้พอท่านพิจารณาอย่างนั้นปีติและปรามโมทย่างโอลานก็เกิดขึ้นในจิตของท่านเพราะฉะนนั้การเจริญสิกขาสามหรือสิกขาเบื้องต้นคือศีลและสิกขา พันสิ่งที่เราเจริญเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติเราต้องนึกว่าสิ่งนี้จะไม่ทําความลําบากใจให้เราในภายหลังแต่ตอนเจริญอยู่ตอนปฏิบัติอยู่อาจจะมีความลําบากใจอยู่บ้างแต่กุศลธรรมเหล่านี้จะไม่ยังผู้นั้นให้ลําบากใจในภายหลังมันก็หมั่นปรารบถึงความบริสุทธิ์แห่งตนว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ค น, นี้คําว่าบริสุทธิ์เอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจว่าบริสุทธิ์จริงหรือก็ เ, เอาเนี่ยศีลอ่ะ น, นะ ศีลคือปาติโมขสังวรก่อนเพราะว่าปาติโมขสังวรเนี่ยท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับศีรษะเปรียบเหมือนกับหัวถ้าหากว่าปาติโมกยังอยู่ศีลที่เหลือก็ยังอยู่ถ้าปาติโมกไม่อยู่ก็เหมือนกับคนคอขาดนะงอกเงยยากเพรา ะ, ะนั้นการสมาทานศีลการปรารบอันนี้ต้องต้องบ่อยให้มากจนกว่านึกแล้วก็ปีติปราบปลื้มใจทีนี้ศีลของเราเนี่ยนะ ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปก็คือศีลห้าหรือศีลแปดหรือกุศลก ร, รัมบทสิบถ้าเป็นพระพิสุกก็คือปาติโมฆขสังวรก็คือศีลทั้งหลายที่มีมาในพระวินัยปิดกอ น, นั่นคือกุศลศีลของท่านทีนี้กุศลศีลเหล่านี้จะเป็นไปได้ด้วยดีรักษาได้ยาวมั่นคงเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องเครื่องช่วยป้องกันให้รักษาศีลเหล่านี้ได้ยาวได้ต่อเนื่องและมั่นคงก็ ทวานทั้งหลายทวานคือจกักขูทวานโสตัทวานคารณทวานชิวหาทวานกายทวานและมโนทวานวันพระองค์จึงแสดงอินทรีย์สังวรต่อจากปาติโมขสังวรเพราะผู้ที่มีอินทรีย์สังวรดีเนี่ยนะยังไงเขาก็ไม่ทํากายทุจริตและ ว, วจีทุจริตเลยแต่คนที่ทุจริตกรรมทุกครั้งเพราะเห็นบางอย่างใช่ไหมเพราะเห็นบางอย่างเพราะ ได้ยินบางอย่างเพราะรู้กลิ่นบางอย่างเพราะรู้รสบางอย่างเพราะรับกระทบโภตพภะบางทีคิดไปคิดมาก็ไปแล้วเอาจนล่วงศีลจนได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้ที่จะรักษาศีลได้ดีรักษากุศลศีลให้ดีให้ยาวให้ต่อนเนื่องให้มั่นคงนั้นอินทรีสังวรจะต้องดีเยี่ยมแล้วถามว่าวิธีเจริญอินทรีสังวรนี้เจริญยังไงคิดง่ายๆพระองค์แนะนาว่าเห็นอะไรแล้วกุศลเจริญอกุศลลบ น่นแหะเป็นอินทรีย์สังวรได้ยินเสียงอะไรอกุศลลดกุศลเจริญขึ้นอันนั้นควรฟังอ่นะในวิธีอินทรีย์สังวร น, นะรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธาพิชนิดใดอกุศลลดลงกุศลเจริญขึ้นอันนั้นเนี่เรียกว่ามีอินทรีย์สังวรคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วกุศลเจริญอกุศลลดลงนี่เรียกว่ามีอินทรีย์สังวรแต่ถ้าตรงกันข้ามอินทรีย์สังวรไม่ดี ทีนี้อินทรีย์สังวรไม่ดีใครที่ไม่มีอินทรีย์สังวรดูได้ยังไงก็ดูจากความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาแล้วก็พฤติกรรมที่ชั่วที่เป็นไปกับทุจริตกรรมทั้งหลายอันนี้ประกาศถึงว่าเขาไม่มีอินทรีย์สังวรเพราะคนที่มีอินทรีย์สังวรจะทําให้ศีลดีคนที่มีศีลดีจําต้องรักษาอินทรีย์สังวรทีนี้จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยนะได้ยังไงดีเพราะสิ่งที่เราเห็นโดยมาก สิ่งที่เราเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสพ้นปัจจัยสี่ไหมโดยมากแล้วไม่พ้นจากปัจจัยสีมันปัจจัยสี่ที่เราเกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณาพิจารณาว่าเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยจีวรนี้เพียงเพื่ อ, อ น, นะนุ่งห่มผ้าเหล่านี้เพียงเพื่อบําบัดความหนาว บ, บําบัดความร้อน บ, บําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจาก เพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายนะบริโภคอาหารเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่เป็นไปเพื่อเล่นไม่ใช่เป็นไปเพื่อมัวเมาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเพื่อสิ้นสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยการทําอย่างนี้เราจะบําบัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิวไม่ทําให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นอั น, นความเป็นไปแห่งอัตภาพดําเนินไปสะดวกจะมีได้อย่างนี้เพราะว่าการประทำอย่างนี้ทําให้สามารถอนุเคราะห์พรหมจรรย์ได้เพราะว่าถ้าหากว่าขาดอาหารหรืออาหารไม่เพียงพอเนี่ยนะโภชนะส ป, ปายะเราก็ไม่ดีก็ไม่สามารถตรัสรู้ทมได้นี้ต่อไป ทุกครั้งเราก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยใช่ไหมต้องที่นั่งที่ที่เรานั่งเรายืนเรานอนเนี่ยที่นี้เรียกว่าที่ตรงนั้นเรียกว่าเสนาสนะที่เรายืนเรานั่งและเรานอนทุกแห่งเนี่ยใครที่จะรักษาจะตุปปริสูธรที่สี่เนี่ยพิจารณาทั้งหมดที่จะยืนนะเพราะยืนเนี่ยบางทีมยืนยาวใช่ไที่จะนั่งก็นั่งยาวที่จะนอนก็นอนยาวพันที่ยืนที่นั่งที่นอน ต้องพิจารณาว่าเราใช้สอยสถานที่ตรงนั้นเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เละคลานทั้งหลายเพียงเพื่อหลีกเล้นสําหรับเจริญภาวนาคือกิจนี้ต้องชัดเจนเลยว่าประเด็นของชีวิตนี้ชัดเจนว่าทุกสถานที่ที่เราเข้าไปอยู่เพื่อจะบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อจะบําเพ็ญไตรสิกขาวันวัตถุประสงค์หลักอยู่ตรงนั้น ทีนี้นถ้าหากว่ามีการป่วยการไข้ขึ้นมาก็ต้องพิจารณายาที่บริโภคเนี่ยนะนะยาที่ใช้สอยเข้าไปว่าเศสัชเหล่านี้เพียงเพื่อบำบัดโรคภัยทั้งหลายเพื่อไม่ให้ทุกขเวทนาทั้งหลายนั้นนะเกิดขึ้นในการพิจารณาปัจจัยสี่แล้วปัจจัยสี่เหล่านี้ได้มาอย่างไรเมื่อพิจารณาแล้วก็ทวนย้ำต่อไปอีกว่าเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มได้มาโดย สุจริตหรือทุจริตอาหารที่เราบริโภคนี้ได้มาโดยสุจริตหรือทุจริตโดยผิดธรรมผิดวินยัยผิดคําสอนผิดศีลหรือไม่ที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งยู่ยาที่เราได้มาผิดศีลผิดธรรมผิดวินยัยผิดอะไรหรือไม่เราก็มาตรวจสอบอยู่ถ้าตรวจสอบปัจจัยปัจจวิปัจจั ย, จจจยแล้วทบทวนว่าปัจจัยเหล่านี้ได้มาอย่างไรแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรที่จะยังอกุศ ล, ลจิตให้เกิด อันนี้แหละเรียกว่าผู้มีจตุปาริสุทิศีนเห็นอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมีศีลตัวเองรองรับอยู่ทุกผนทุกแห่งถ้าเจริญได้อย่างนี้เชื่อว่าปิดอบายได้มองทุกอย่างเป็นศีลของเราได้เนี่ยมองทุกอย่างเป็นศีลของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่รักษาอุโบสถศีลเนี่ยนะศีลปดเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เที่ยงวันเนี่ยมองเห็นอาหารทุกชิ้นเนี่ยเป็นศีลของเราหมดเลยเนี่ยนะ ไม่ใช่รอให้เช้าเถอะรอให้เช้าเถอะอันนี้โกปลาละกะอโบสถนะนะแต่ถ้าเอานื่องนั่นก็ศีลของเราตรงนั่นก็ศีลของเราอ่ะนะเค้ก็ศีลของเราเป็นต้นเนี่ยนะก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ศีลของเราหมดเลยถ้าอย่างงี้ก็ปิดอบายได้คือแนวโน้มว่าจะปิดอบายได้แต่ถ้าอันนั้นนะก็อร่อยถ้าตอนที่จุติตอนนั้นนะอย่าว่าโยมเลยพระพิสุรูปหนึ่งนะท่านได้จีวรท่านไม่ได้ปัจเจวกใช่ไหมนอนคิดไปคิดมาตายคืนนั้นเกิดเป็นเลนอยู่ใน จีวรถ้าเราคิดถึงขนมเค้กก่อนตายเกิดเป็นอะไรดีนะเกิดเป็นนอนแต่ไม่ใช่ในขนมเค้กนะเพราะขนมเค้กเขาใสาสารอะไรไม่ให้มันมีนอนนะไปเกิดที่อื่นๆเนี่ยจะยุ่งมากเกิดในข้าวบูดนึกว่าเค้กเหมือนกันนะในข้าวบูดมีสัตว์อยู่ไหมมีเพันธุ์ก็ต้องศีลเนี่ยทุกแห่งสรุปว่าต้องทบทวนให้เป็นไปกับกุศลศีลให้หมดให้ได้ถ้าไขครวรเจริญได้อย่างนี้ในชีวิตที่เป็นจริงเรียกว่ามี จะตุ ป, ปาริสุทิศินดีมองทุกอย่างมองเป็นศีลตัวเองได้หมดเลยเห็นดอกไม้เห็นของหอมเห็นข้าว ข, ของเครื่องใช้เห็นเนี่ยเห็นแต่ละคนทุกคนเนี่ยคือศีลของเราอยู่แถวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะหนึ่งแต่ละเอ่อแต่ละอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าคนรักษาศีลจริงเนี่ยเขาจะรู้ได้เลยทันทีว่าอารมณ์เนี่ยจะทําให้เขาเสียศีลข้อไหนได้บ้างแล้วเขาจะต้องรักษาอย่างไรบ้างศีล น, นี้เป็นทรัพย์ใช่ไหมเป็นไหมทรัพย์คือศีล คนมีทรัพย์ภายนอกเวลาเข้าจ่ายตลาดเขาทำไงเอาเอาแบบคนที่ที่ใช้เป็นอ่ะนะเอาคนสุรุย่ยสุร่ายเอาเป็นประมาณไม่ได้เอาคนที่เขาใช้ทรัพย์เป็นเนี่ยเขาระวังเขาทนุถนอมและเขาหวงแหนเพราะเขารู้ว่าได้มาโดยยากลําบากถ้าหมดไปนําความเดือดร้อนมาให้นี่ก็เหมือนกันสินที่เขามารักษานี้ได้มาโดย ยากกว่าจะมีสติปัญญารู้ว่าอะไรเป็นสาระของชีวิตหันมารักษาศีลกว่าจะได้รักษาศีลก็เป็นของยากศีลเหล่านี้จะยั่งยืนแค่ไหนเนาสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้จะทําให้เราทุศีลเราก็พิจารณาแล้วก็จะรักษามารถรักษาศีลได้ในทุกอารมณ์ทุกผนทุกแห่งทุกการและสถานที่มณสิการอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์อะไรที่จะยัง่งศีลให้เราอารมณ์ที่จะยั่งให้เราเสียศีลไม่มีถ้ามั่นใจได้ขนาดนี้เรียกว่ามี จะตุปาริสุทธิศีนฐานตัวนี้ดีเยี่ยมเนี่ยนะเพราะว่าศีนเหล่านี้นำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจนำมาโดยไม่ต้องลำบากใจในวันหลังอีกต่อไปนึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจเนี่ยนะเพราะคู่ผู้ที่ปฏิบัติคุณธรรมชั้นสูงประเภทจะออกจากวัตตะเนี่ยนะหรือที่ผู้มาเจริญวิสุทธิ์ที่ทั้งหลายเนี่ยบุคคลเหล่านั้นไม่สนใจแม้กระทั่งกามมาคุณอันเป็นของทิพย์จะกล่าวปลายยถึงการมมคุณอันเป็น ของมนุษย์เล่าเพราะผู้ที่มีศีลลักษณะนี้เนี่ยนะเขาได้ปัจจัยที่จะไปเรื่องสวรรค์นี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแล้วเขามีทรัพย์อ่ะมีทรัพย์คือศีลเหมือนคนมีทรัพย์คือสตังเป็นต้นเนี่ยเลือกซื้อบ้านที่ไหนเขาก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ชันใดผู้มีศีลอย่างที่พระองค์บอกว่าเลือกที่จะเกิดที่ไหนล่ะในมนุษย์มหาสาลทั้งหลายเช่นครหบดีมหาสาลพรหมมหาศาล กษัตริย์มหาศาลหรือจะเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวเดืองยามาดุสิตไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจะเลือกเกิดณที่ใดก็ได้เพราะเขาเอาศีร น, นี่แหละเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่พาไปสู่สุขติโลกสวรรค์นั้นคนมีศีลก็บอกว่าสวรรค์มันก็ถือว่ายังเป็นที่ตั้งแห่งความวุ่นวายเรื่องมากคนมากเรื่องมากนะเมื่อก่อนอ่านเรื่องท้าวสักกะหลายๆครั้งเนี่ยบอกโอ้โหมีนางณตฏนาฏน า, นาก็คือนางนางฟ้อนดำเนี่ยสองล้านห้า เอสองโกดห้าหรือไงเนี่ยสองโกดห้าบอกโอมจะวุ่นวายขนาดไหนนะเรามานึกถึงความวุ่นวายมากกว่านะโอหมจะวุ่นวายขนาดไหนเนะี่ยก็เราคิดดูว่าผู้ที่เพียรพร้อมบริบูรณ์ด้วยเบญจากามคุณ5สภาพจิตเขาจะเป็นไปอย่างไรสมมุติถ้าอ ะ, อะไรที่ตัวเองคิดว่าจะสูญเสียก็ทุกข์อีกใช่ไหมไอ้ตัวไหนที่ตัวเองคิดว่าจะได้ก็ก็ทุกข์อีกอะไรเกิดขึ้น อภิชากับโทมานตสก็รุนแรงทุกเพราะการสแสวงหาก็อภิชาทุกเพราะการรักษาก็โทมนั์ทุกเรื่องเป็นอย่างนี้เป็นไปกับอภิชาและโทมนั์อภิชาถ้าเติบโตมากก็จะล่วงกรรมบทโทมนั์ถ้าเจริญเติบโตมากก็เป็นพยาบาทที่ล่วงกรรมบทได้เพราะวัตถุทั้งหลายการมคุณทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานัถ้าเราเสียใจเรื่องใด ให้รู้เธอว่านั่นเป็นผลพวงของอภิชาในเรื่องนั้นนะเราหวังสิ่งนั้นเป็นอย่างหนึ่งแล้วมันผลออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็จะโทมนัตอภิชากับโทมนัตเหล่านี้มีอะไรเป็นอารมณ์โดยมากก็เป็นไปกับตามมาคุณทั้งห้าเป็นไปกับเป็นไปกับรูปเป็นไปกับเสียงเป็นไปกับกลิ่นเป็นไปกับรสเนี่ยนะ เป็นไปกับสิ่งเหล่านี้จริงๆไอ้โลกของอภิชากับโทมนัสนี้เป็นไปกับสิ่งเหล่านี้ชําระอภิชากับโทมนัสได้อย่างไรเพราะจิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตกไปฝ่ายราคะบ้างตกไปในฝ่ายโทสะบ้างอันนี้แหละที่จะต้องบําเพ็ญอาทิจิตตะสิกขาที่จะต้องอบรมจิตเนี่ยนะอันนี้ก็คือการเจริญจิตตวิสุทธิ จิตวิสุทธิเนี่ยนะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกำจัดอภิชากับโทมนัสบางคนเนี่ยเป็นคนมักมักอภิชามากบางคนมักโทมานั์มากันก็มาเจริญกรรมฐานให้เหมาะกับจริตเหมาะกับนิสัยของตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนเสียใจเนืองๆหรือว่าดีใจเนืองๆอเสียใจเนืองๆหมายคาอว่าเกี่ยวข้องกับอยู่ในบ้านในช่องทําอะไรทํากิจการงานไปแล้วก็เครียดบ่อยๆ เครียดบ่อยๆ อ, อันนี้แสดงว่าหนักไปทางโทสะจริตในขณะ น, น, นั้นแล้วถ้าชีวิตวันๆนหนึ่งนะอะไรก็ดีไปหมดเลยสมใจหวังสมใจนึกทุกอย่างน่าพอใจไปหมดเลยอันนี้ประกาศถึงลักษณะของผู้ผู้มีโลภะหรือราคะจริตแล้วก็สังเกตแบบหยาบๆใหญ่ๆก่อนทีนี้ถ้าคนที่มีโทสะมากในอารมณ์ทั้งหลายถามว่าทำยังไงเจริญเมตตา